รัตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ 14. สิบสี่สุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันาต์วรกที่สี่พระสูตรที่สาสิบเอ็ดพัตเทกรัตรสูตรสูตรว่าด้วยราตรีเดียวที่ดีพระผู้มีพระภาคประทับนชเชตวนารามตรัสแสดงอุทเทศหรือบทตั้งและวิพังคำอธิบายหรือการแจกแจง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 เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบก็ตรัส ช, ชมเชยและว่าถ้าถามให้ทรงอธิบายก็จะทรงอธิบายในทํานองเดียวกันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่พระสูตรที่สามสิบสี่โลมะสักกังขียสูตรสูตรว่าด้วยพระโลมสักกังขียะพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนาวรามเรื่องเล่า ว, ว่า